ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่สิบก้าโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2551มีชื่อเรื่องว่าอุปนิสัยของพระมหากบินวันนี้เป็นวันที่23แล้ววันนี้ 2ี่สบสากุมภาห้าหนึ่งวันที่สามสิบมีนาเป็นวันทําบุญครบรอบวันมราณาภาพของคุณแม่ชีแก้วปีนี้ mm hmm. ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเอาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเป็นหลักจะตรงกับวันไหนไม่ว่ากัน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 มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นอะไรเป็นอุปนิสัยเป็นสันดอนถ่ายแก้วาอเป็นสันดอนเป็นสันดานแห่งการทำคุณงามความดีเหมือนกับคิดขึ้นมาเวลาใดเพื่อจะทำดีเพื่อจะสร้างบุญกุศลเพื่อจะทำดีให้แก่ชุมชนสังคมต่อประเทศชาติมันตรงกันข้ามกับคนที่ว่าสันดอนสันดานชั่ว คิดอะไรไม่แต่อยากจะเอารัดอยากจะเอาเปรียบได้น้อยนึงก็เอาเอออยากน้อยแต่ตาเขียวปัดใสเขาก็เอาเออทําอะไรไม่ได้เมาองั้นแหะถ้ามากกว่านั้นกันเอาละทะนีิเอาเปรียบเขาละ่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ทางรับก็ทางแจง้งเมืองนั้นแหละจะทํายังไงจึงจะได้เอารัดเอาเปรียบเขาได้อันนี้แปลว่ามันมาจากจิตใจส่วนลึกเหมือนกัน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 จะทำยังไงจึงจะมีความสุขหรือว่าประสบความสำเร็จหรือว่าสิ่งดีๆว่างั้นแต่สิ่งดีๆมีไหมสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมาในโลกได้มีไหมท่านก็มีบริบาลทึงพันหนึ่งทหารทหารส่วนตัวว่างั้นไปว่าขี่ม้ารอบเมืองหว่างั้นตรวจการต่างๆ พระเจ้าแผ่นดินคงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มบ้างกำลังไฟแรงเหมือนกันเลอไปว่าตรวจตาราชานาเขตของพระ อ, องค์พอไปไปเห็นพอค้ามา้าพอค้ามามาฝูงใหญ่เลถามเอ๊ะพอ้ามาจากไหนพวกผมมาจากกรุงสวัสรค์ถีไปค้าม้าจากทางนน้นมาเออเป็นไงแถบนู้นมีอะไรไหมสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นมีไหมบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงยังไงลักษณะนักตรกรอนมันมีวิทยุโทรทัศน์ส่งข่าวกันใช่ไหมล่ะก็ต้องถามข่าวด้วยวาจามาจาิงไหนเป็นยังไงบุคคลเกิดขึ้นมาหรือว ม, มีธรรมะมีนักปราชญอาจารย์มีทิศปาโมอกสอนวิชาอะไรที่พวกท่านทั้งหลายได้ผ่านผ่านมาที่แปลกใหม่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 ท่ก็เคถาม่าแน่สิ่งดีๆที่ผ่านมามีอะไรบ้างพอขามา้าบอกข้าวได้ไหมพอขามา้าโอ้ได้ที่ผ่านๆมาที่กรุงสวรรถ์มีพระสงฆ์เกิดขึ้นไม่เคยมีมาก่อนเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกพระพุทธเจ้าอืมเกิดขึ้นมาแล้วในโลกกําลังสั่งสอนพี่น้องประชาชนกรุงสวรรค์คนทั้งหลายกําลังเคารพนับถือกันนะ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 ผู้ข้าเกิดมาพบนิชานนี้รู้อย่างพวกเราเกิดมาเนี่ยนะเกิดมาเออข้าพเจ้าจะไงพระพวกข้าพเจ้าภาวนายังไม่สําเร็จนะยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แต่ใจไฟสูงว่าถึงยังไงไม่สําเร็จในชาตินี้ก็ขอให้เกิดได้พบหน้าชาติหน้าแต่สุดท้ายก็คือขอให้พบพระศรีอริยะเมตตามาตรในโลกก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทเฉพาะพระพัก เฉพาะพระพุทธองค์แล้วก็ขอให้ขราเปเจ้าสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในภพนั้นชาตินั้นอันนี้คือความมุ่งหวังด้วยความมุ่งหมายของของดวงวิญญาณของพวกเราว่างั้นนี่คือต้องการอยากจะพ้นทุกจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดอีกเกิดภพใดชาติใดก็คงจะเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วจะขึ้นมาเสีย อ, อกเสียใจร้องโหยร้องไห้หาการดืงเง่เงินหาเงินหาทองหา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 คนเราเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีความใฝ่ฝันปรารถนาอยากจะพ้นทุกไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นคือจุดประสงค์สูงสุดของทุกดวงใจที่ได้อบรมดีแล้วเพางั้นได้ศึกษาได้ศึกษาได้อบรมดีแล้วต้องคิดอย่างนั้นเพรางั้นแต่ในพระมหากรบินท่านก็สั่งสมมาอย่างนั้นเหมือนกัน พอมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองเมืองหนึ่งในเมื่อปกครองแล้วแต่นี้ท่านก็อย่างว่านตรวจราดตเวนประเทศชาติของท่านพร้อมกับทหารคู่ใจท่านพันหนึ่งเหมืองกันเลยเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มรอบปานครก็ไปเห็นพ่อค้าม้าอย่างที่ว่านะก็ถามพ่กค้ามา้าว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลก เหมือนกับอะไรเอาฝ่ามือตบหูอย่างแรงอย่างนั้นปิงอะไรสลบอ่างั้นเลช็อกความรู้สึกขึ้นมาเฮ้ยพูดอะไรก็อางั้นเขาพูดว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเดี๋ยวนี้ท่านประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตตะวันเนียปิงหู ด, ดับอีกอ่างั้นเอครั้งที่สองจนถึงครั้งที่สามอ่างั้นเขาพูดขึ้นม า, านนพู้เขม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 พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกประกาศให้กล่างวันอีกสามาแสนพระสงฆ์อีกประกาศอีกสามแสนนี่นี่แหละจากนั้นเออปะ่ะใครจะไปกับเราเขาจะไประนางันเราจะไปบวชเราจะไปพบพระพุทธเจ้านั่นแหละพวกอมตะทหารเหล่านั้นก็พร้อมเหมือนกันอา้าวเมื่อพระองค์ไปข้าพระองค์ก็ต้องไปด้วยสิมาเนี่ยปุสุก็เลยไปเนี่แหละไปพบพระพุทธเจ้า แต่นีน อ, อ, อัคร ม, มเหสีของพระ อ, องค์ก็เหมือนกันพราข้า ม, ม้าก็มาเห็นอีกเอีบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปกรุงสวัสดีแล้วเงินอัคร ม, มเหสีกับเมียของทหารหารทั้งหลายก็อตามไปอีกเหมือนกันจะไปทางไหนกรุงสวัสดีไปก็ไปเจอพ่อข้า ม, มา้าอย่างที่ว่าพ่อข้า ม, ม้ากําลังเดินทางสวนมากับมาถามอีกเห็นมไหมเห็นหพวกผมเนี่ยเป็นผู้แนะนําให้ าาพระมหากระดินไปเจ้าแผ่นดินเล่าให้ฟังเอาพูดให้ฟังนะที่เป็นยังไงานางอนชาเนี่ยก็เป็นผู้มีบุญบารมีมาเหมือนกันสังสมมาด้วยกันเหมือนกันอะผลที่สุดก็พูดให้ฟังอีกนได้ถวายราชทรัพย์ให้แก่พ่อข้าม้าอีกอย่างเก่าจากนั้นก็เดินผ่านไปมหากระดินก็ไปเจอไปพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้เทศให้ฟังนะ เทติฟังได้สำเร็จพระโสดาบันเมื่อเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นก่อนจากนั้นพวกนี่ก็เดินไปอีกไปพบพระพุทธเจ้าอีกแต่พระพุทธเจ้าได้ใช้ลิศนะคราวนั้นนะอใช้อิทธิลิศคือไปแล้วไม่ให้ไม่ให้เห็นกัดว่างั้นะอทั้งสามีพัญญาไม่ให้เห็นกัดแต่พวกนั้นบวชล่ะบวชเป็นพระแล้วว่างั้นแต่นางอนุชาเนี่ยกับบริวารไป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 แต่เดี๋นี้ตั้งใจฟังธรรมก่อนคือถ้าหากว่ามาเจอกันมาพบกันแล้วจิตใจมันจะฟุง้งซ่านมันลวนเละใช่ไหมเพราะสามีเห็นพันยานโป่งฟุง้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิจะเทศธรรมะให้ฟังมันก็ไม่เข้าใช่ไหอเพราะมันมันจิตไม่เป็นหนึ่งจิตไม่แน่วแน่จิตไม่เป็นหนึ่งจิตโป่งฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกให้ฟังธรรมก่อนแล้วจะเห็นต่อภายหลัง จากนั้นก็พูดอง์อทกฤษให้ฟังพวกนางเหล่านั้นอ克拉เมศศีกับนางที่เป็นพัญญาของนายทหารเนี่ยได้สําเร็จพระโสดาบันแต่ฝ่ายพระสงฆ์ที่ฟังธรรมเทศนากันเดียวกันนั้นล่ะที่นั่งฟังอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระอรหรนันต์นะเหตุการเดียวมแปลกแตกต่างกันอย่างนั้นนะ คนหนึ่งฟังได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์คนหนึ่งฟังได้สำเร็จเป็นโสดาบันจุดแทตบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านจากนั้นนางเหล่านั้นก็ขอบวชเป็นภิกษุณีเนะนี่ยแไน้นพระมหากบินท่านะก่อนบวชเป็นพระท่านก็ปฏิบัติท่านะก็อยู่ไปเรื่อยๆนะอุปนิสัยของท่านมหากบินนะพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่นะสถานทีใด ไปอยู่ในปา่าดงพงไผ่ที่ไหนพระสงฆ์จะได้ยินท่านบน่นท่านบน่นท่านพูดเหมือนกับท่านเพ้ออย่างนั้นนะะท่านละเมอเพ้อฝันเน่ะท่านเพ้อว่ง า, <cinematic. S 1> า, งางนั้นอืมท่านเจ้าบัวสุกนอ้อสุกนอ้อสุกนอสุกนอสุกน อ, นอท่านว่านนะอพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลย พระมหากบดินน่ท่านคงจะคิดได้ขึ้นมาเวลาใดท่านคงจะคิดถึงสมัยท่านคลองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเ่ท่านก็คงจะบ่นว่าคิดมาได้ก็คงจะคิดว่าสุขในขณะที่ท่านคลองราชเ่ท่านจึงบ่นเพอ้อไปในสถานที่ต่างๆจนกระทึงพระได้ยินพระพุทธองค์ก็เรียกพระมหากบดินมามหากบดินเธอพูดเพอ้อขึ้นมานั้นเพราะอะไร พระมหากบินก็บอกว่าข้าพระองค์จะไม่ขอกราบถูนพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าข้าพระองค์เพิ่เนื่อเพราะอะไรเพราะนั้นข้าพระองค์จะไม่ขอทูนพระพุทธพระองค์พระพุทธเจ้าขาพระพุทธองค์บอกเออใช่พระมหากบะวินเขาสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสมัยเมื่อเขาเป็นฆราวาสเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเตรียมพร้อมเตรียมรบ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 ท่านเข้าเข้าฌานสมาบัติเหมอนพอเข้าฌานสมาบัติท่านก็บอกอืเราเนี่ยได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วหมดภาระทุกอย่างแล้วเป็นพระ อ, อาเสขาอาเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเหมนเป็นพระอาเสขนะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วข้าพเจ้าไม่จําเป็นจะต้องลงอุโบสถเพราะว่ากายแห่กา ย, ยกรรมวจีกรรมมโนกรรมของข้าพเจ้าไม่คิดที่จะ ไม่คิดที่จะคิดชั่วไม่คิดที่จะพูดชั่วไม่คิดที่จะทําชั่วอยู่แล้วอาบัตจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องลงอุโบสถนะท่านก็นั่งสมาด์นั่งเข้าสมาธิต่อเหไม่ลงอุโบสถถึงวันอุโบสถพระพุทธเจ้ารู้นะเ อ, อรู้ความคิดของพระมหากบิ่ทั้งที่ท่านเป็นพระอระหันต์แล้วนะพระพุทธเจ้าก็รู้แต่เดี๋พระพุทธเจ้าก็เสริญไป เ, เสด็จไปด้วยฤทธิ์เหมือนกนเอะเรียกว่าเหาะไปแล้เสด็จไปด้วยฤทธิ์ไปก็ไปเหยียบฝ่าพระบาทลงตรงที่ใกล้กับพระมหาก บ, บินนั่งนั่งสมาธิไปเห็นเหยียบลอยลงไปพระมหากบินก็นออกจากสมาบัติแล้วถึงมาโอ้พระพุทธเจ้ามาแต่เหนี่ยงั้นเห็นรอยพระบาทอยู่นี่เหมืนโอ้ตายๆเราทําไม่ถูกแล้วกันรีบเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็บอกว่า ม, ม, มหากบินถึงท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วกว็าตามเป็นพระอาเค่ะผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วกว็าตามแต่ท่านต้องทำเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปอันนี้คือหลักพระธรรมวินัยนี่จะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติสม่ำเสมอทุกทุกุกคนถึงวันอุโบสถแล้วต้องลงอุโบสถอย่าไปยกเว้นไม่ได้ เพราะนั้นท่านต้องทําเป็นตัวอยา่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานะขนาดท่านเป็นพระหรหันต์นะท่านก็ยังให้เคารพพระวินัยนะนี่แหละอันนี้นก็คือพระมหากบินจากนั้นมาท่านก็ลงอุโบสถตามปกติทุกทุกองนะเว้นเสียตอาพาธป่วยนะเท่าแก่ชลาไม่สามารถที่จะนั่งได้อาพาธฉรนะาในก็อาพาธเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าปวดท้องกระจององเงียจึงค่อยว่าอาพาธไม่ใช่แก่เท่าชรา่นั่งไม่ไหวนั่นก็จะาอาจัดว่าอาพาธเหมือนกันหนาวก็อาพาธร้อนมากก็าอาพาธเหมือนกันเขาว่าอาพาธเนี่ยคือไม่สบายทุกขเวทนาแก่กล้าเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือพระมหากรรินั้นถึงอย่างไงก็ตามถึงท่านเป็นราชามหากษัตริย์ท่านก็ยังหาทางพ้นทุกข์จะปฏิบัติธรรมได้อย่างนั้น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 เป็นต่อไปจะบำเพ็ญให้ถึกที่สุดในชาตินี้แต่เอาเถอะทางว่าข้าพเจ้าไม่พ้นทุกในชาตินี้ก็ขอให้ชาติต่อไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้ไปอยู่ในภพภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งสวรรค์ชั้นพรมเมื่อพระศิริเมตรายลงมาตัดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้มาฟังพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระศอริยะเมตรายก็ขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะอันนี้ก็คือ ทุกวิญญาณที่ผู้ได้ปฏิบัติธรำจะคงมีความปราถนาอย่างนั้นความปราถนาอย่างนั้นเป็นกิเลสไหมไม่ใช่เป็นมักนะคือคนปราถนาคือความเป็นมักคืออยากจะพ้นทุกเป้นเสียแต่อยากจะร่าอยากจะรวยอยากจะเป็นราชามหากษัตริย์อยากจะเป็นเศรษฐีพ่อค้าอยากจะเป็นอะไรไปในทางโลกอันนั้นแปลว่าโลกโกรธหลง จะทำให้จิตใจของเรามัวเมาโลบโกดหลงแต่ถ้าว่าอยากจะพ้นทุกข์ในวันสงสารไม่ขอมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แปลว่ามักมังกรดาเป็นหนทางเป็นหนทางที่จะสู่มรรคผลนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นความปรารถนาที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องอเป็นความมุ่งมั่นที่ถูกต้องเพราะนั้นพวกเราแยกให้ออกจุดนี้ ไม่ใช่ว่าความอยากจะเป็นกิเลส ท, ทั้งหมดไม่ใช่ความอยากไปทางต่ำอนเป็นกิเลสถ้าอยากไปทางสูงเป็นมรรคเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์นี่แหละสรุปแล้วก็คือบุญบา ร, รมีการสั่งสมบุญกุศลเนี่ยไม่เสียหายเป็นการเก็บหอมลอมริบไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงวันหนึ่งบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ ก็ช่วยกระจายได้แต่ท่านกองบารมีของท่านพระมหากบินกับนางอนุชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกในอดีตชาติของเขามีพระเป็เจดไปสู่ชนบทไปสู่หมู่บ้านของเขานางอนุชาเนี่ยเป็นเป็นผู้แม่บ้านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พ่อบ้านมีบริวารในหมู่บ้านได้ช่วยกันจัดเสนาสนะเอาคนลหลังลหลังกันนะ เพื่อดูแลพระประเจกของเราพระประเจกมากเข้าไปในหมู่บ้านจากนั้นก็ได้ถวายอาโหมได้ถวายอาหารได้ถวายผ้าหนุ่งผมผ้าจีวรต่อพระปเจกผู้ธเจ้จานั่นแหะอา น, นิสง์ในครั้งนั้นเป็นอา น, นินสงที่แรงที่สุดมากที่สุดในการดําเนินชีวิตของของท่านมาของครอบครัวนั้นมานี่แหละมันมีจุดเด่นจุดหนึ่งนะในแต่ละชีวิตของคน แต่พบหนึ่งชาติหนึ่งอาจจะทําไปทําไปกัธรรมดานะเชื่อบางไม่เชื่อบางแต่มีจุดหนึ่งที่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจา้าที่ทํบ า, าทบุญกับพระอรหันสาวกทําบุญกับพระประเจกพุทธเจา้าอั น, น, นชาตินั้นเป็นชาติที่โดดเด่นถ้าเราได้ฟังในสาวกประวัติอรือสาวิกาประวัติอย่างเนี้ยทําไมคนคนนี้เขาทําอะไรเขาจึงได้มาเป็นอย่างนี้อย่างพระศรีวลีทําไมจึงรวย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 ที่ว่า น, นางมาลิกาเอาช้างห้าร้อยเชือกมากั้นชัดพระเจ้าเป็นดินชนะขาวนี่เหมือนกันเลยหมดไปสิบสี่โกดเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งอกันเลยอันนี้ข่าวนั่นคืเหมือนกันพระศิวรลีที่รวยกับเพราะว่าทาบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมมตระสีวลีเนี่ยเป็นคนชาวชนบทบ้านนอกเนไปไปเห็นหลางพึ่งก็เลยไปเอาพึ่งไปได้พึ่งมา ใส่ใบใบไม้คงจะใบตองกุง้งใบใหญ่ๆมั้งหอ่อลังพึ่งมาเข้าไม้พวกที่ทำบุญเลไอ้เครื่องไทยทานของเราขาดอะไรบ้างขาดน้ำพึ่งเหมือนอย่างอื่นมีครบหมดยังขาดน้ำพึ่งเหมือนพลที่สุดไป ห, หาน้ำพึ่งเหมือนหาบมาให้ทันเดี๋ยวนี้ด่วนเหมือนคนออกคนอธิถางเข้าไปไปเห็นชาวชนบทบั่นนอกมานี่ มีตะหอใบเอาใบไม้หอรังพึ่งมามีน้ำด้วยเ ห, หมือนกัน้ำพึ่งด้วยอผัวนิสวงก็เลยเขาก็ถามเอาจะขายไหมพึ <hockey> ่งเน่ยเหมือนนขายอจะขายเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่เอาให้เลยสีกะหาปณะแต่กะหาปณะเดียวก็มันแพงพอแรงแล้วเหมือนันเออไม่ขายเท่าไหร่เอ้เอาแปดไม่ขาย พอในสุดถึงพันก็หาปณะก็ไม่ขายบุตรบ้านนอกเลยถามว่าจะซื้อไปทําไมวะทําไมมันซื้อแพงนักวะโอ้เด๋ยนนี้กําลังหาน้ําพึ่งกันอุตรลดเต็มกันเพื่อจะได้ไปทําบุญมันขาดน้ําพึ่งอย่างเดียวที่ทําบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพระสงฆ์ที่นั่งอยู่เดือนนี่เินทางชายคนเนี้เอ้ยไม่เป็นนะบ้านเผมไปผมไปไปไปผมจะไม่ขายไงไปไปด้วยกันพอไปก็เตรียมใบบัวไปด้วยงหมนกันแหละ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 พระพุทธองค์กับไปถึงพุทธองค์กัประกาศเนี่ยนี่ลูกศิษย์ของเราตถาคตมีองค์หนึ่งเนี่ยเป็นผู้มีลาภมากกว่าภิกษุทั้งหลายของเราตถาคตพระพุทธเจ้าปทุมุตตละท่านกล่าวอย่างานั้นท่นนีนายบ้านนอกเนี่ยเข oh, าโอ้ซาตุขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างที่พระองค์นี้ล่ะที่พระพุทธเจ้าปฐุมุตตละประกาศเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้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 ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตให้เป็นผู้มีลาภมากกว่าภิกษุทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าประทุมมุตตะประกาศในวันนี้พระพุทธเจ้าประทุมมุตตะท่านก็นมองดูเลยท่านก็เล็งไปในอนาคตทถิดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปราถนาแล้วจะได้ทุกอย่างไม่ใช่นะท่านก็เล็งไปในอนาคตเ อ, อ๊บุรุษคนนี้จะได้หรือเปล่าเนี่วะ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 ในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะแต่นั้นพระพุทธองค์ก็่บอกเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเน่ท่านมองเห็นซะก่อนนะท่านจึงให้พรเหมงอนนเถอะไม่เหมือนไม่เหมือนพวกเราให้พรพวกเรามีเหตุก็ต้องขนองมให้พรด่าไปด้วยนกะันพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะให้พรเนี่ยท่านมองเห็นในความสําเร็จ ของผู้ที่ปรารถนาซะก่อนนะท่านอย่าเอวังโหตุเอวังโหตุคขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จเนี่ยทั้งที่เขาก็พูดอยู่ในใจนะอ่าอันนี้คือความปรารถนาอ่านี่แหละเพืพูดแนวความคิดเราได้ศึกษาอ่าเป็นแนวทางว่าความเป็นมาของพระไตรปิฎกอ่าธรรมปฏตตกถาในพระไตรปิฎกท่านบาเพ็ญสาวกประวัติมาเป็นอย่างไรเนี่ย หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังแต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อว่าเอาพ้นทุกข์ในวัฏสงสารชาตินี้ดีที่สุดเกิดมาพบในชาติใดถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเกิดแก่เจ็บตายก็จะจะย่ำยี่เราอยู่ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เออมันทุกข์จริงๆเมื่อใจจะขาดเออทุกขเวทนาจุดนั้นทุกขจริงๆเออ เราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเกิดชาติใดภพใดชาติใดก็มีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นเอาให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารในชาตินี้ดีที่สุดนะหลวงพ่อว่านะจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ได้ให้เดินมักให้ดูกายให้ดูกายให้ดูใจใดูกายนะคืออะไรกายของเรานะเต็มไปด้วยราคะโทสะใจของเรามันเต็มไปด้วยโมหะคือความหลง ถ้าไม่หลงสกอนมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงสกอนมันก็ไม่โลภถ้าไม่หลงสกอนมันก็ไม่รักเพราะนั้นเราดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจในการปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นเพราะงั้นแต่แต่ดูแต่ใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าดูแต่ใจอย่างเดียวมันจะเหลียวเพราะนั้นต้องดูกายด้วยดูกายเป็นหลักดูกายทำไมจึงมีกายมันหลงอะไรกับกาย กายของเราทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจึงให้ความสำคัญกับมันใจของเราก็ดูกายพอดูกายเสร็จแ้วก็ดูใจจากนั้นก็ปล่อยผลที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะผลที่สุดปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจรู้เท่ารู้ทันที่ใจเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง นี่แหละพรทหันอยู่ที่ใจจิไม่อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ใจโอ้วันนี้ได้พูดเสียดายยาวนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร